การทำบุญทำทานไม่สูญเปล่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราทำไปนี้ยังเป็นของเราอยู่แต่เป็นในรูปแบบของบุญเหมือนกับเงินที่เราเอาไปฝากในธนาคารทุกบาททุกสตางค์นี้ยังเป็นของเราอยู่แต่เราไม่ต้องเอาเงินติดตัวไป เรามีบัตร ATM หรือบัตรเครดิตเราสามารถถือบัตรเครดิตบัตร ATM ไปไหนมาไหนทุกแห่งทุกคนได้สะดวกสบายเพราะถ้าจะต้องขนเงินทองไปก็จะยากลำบากและไม่ปลอดภัยถ้ามีบัตรเครดิตมีบัตร ATM นี่สะดวกสบาย บัตรใบเดียวสามารถใช้ซื้ออะไรต่างๆได้ทั้งหมดบุญนี้ก็เหมือนเงินที่เราทำบุญนี้ก็เหมือนกันทาให้เราได้ได้บุญกลับมาบุญนี้ก็จะเป็นเหมือนบัตรเอทเอมเป็นเงินที่เราเอาพกติดตัวไปได้เวลาที่เราออกจากร่างกายนี้ไป ทุกคนต่อไปนี้จะต้องทิ้งร่างกายไม่สามารถเอาเงินทองเอาสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่ติดตัวไปได้แต่เราสามารถเอาตัวแทนของเงินทองต่างๆไปได้คือบุญบุญนี้เป็นเหมือนบัตรเครดิตของจิตใจบัตรเอ m เมของจิตใจ เวลาไปจากโลกนี้เราก็จะไปอย่างสบายเหมือนกับไปต่างประเทศเราไปต่างประเทศถ้าเรามีบัตรเครดิตมีบัตร ATM เราก็สามารถที่จะรูดบัตรได้เบิกเงินได้เบิกเงินตามตู้ ATM ต่างๆนี่คือบนดังนั้น เงินทองทุกบาททุกสตางค์ของญาติโยมนี้ไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นของญาติโยมและเวลากลับมามีร่างกายเงินทองเหล่านี้ก็จะกลับมาหาญาติโยมต่อไปเหมือนเวลาญาติโยมกลับมาบ้านหลังจากไปเดินทางไปต่างประเทศถ้าอยากจะถอนเงินจากธนาคารที่เหลืออยู่ก็สามารถถอนออกมาได้ นี่แหละคือเรื่องของบุญบุญนี้จะติดตัวไปกับใจของเราเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วใจที่จะมีบุญแล้วก็เรียกว่าใจไปอยู่ในสวรรค์สวรรค์ก็คือที่ที่มีแต่ความสุขนั่นเองเหมือนเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศหรือเที่ยวต่างจังหวัดเรา แล้วมีความสุขกันเพราะเรามีเงินจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆเรามีบัตรเครดิตมี A อ m เจ่ายค่าที่พักขายจะจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าอะไรต่างๆไปอย่างมีความสุขไปอย่างเศรษฐีถ้าเราไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานเวลาตายไป เราจะไม่มีอะไรติดตัวไปจะไม่มีบัตรเอ m เมจะไม่มีบัตรเครดิตเราก็จะไปแบบขอทานเวลาที่คนตายไปเรามักจะทำบุญส่งกุศลอุทิศบุญอุทิศกุศลให้กับคนตายเพราะเราเป็นห่วงเขาเราไม่รู้ว่าเขามีบัตรเอ m เมหรือมีบัตรเครดิตติดตัวไปหรือเปล่า เราจึงต้องส่งโอนเงินข้ามประเทศไปเงินเงินที่บุญที่เราอุทิศนี้เป็นเหมือนกับเงินโอนข้ามประเทศเช่นคนที่เรารักเขาไปอยู่ประเทศญี่ปุ่นเราก็สามารถโอนเงินจากประเทศไทยไปที่ประเทศญี่ปุ่นให้กับเขาได้ถ้าเราเป็นห่วงเขาถ้าเรากลัวว่าเขาจะอยู่แบบขอทาน ผู้ที่มารับบุญอุทิศนี่ก็คือพวกที่ขณะที่มีชีวิตยอยู่ไม่ได้ทำบุญกันไม่เห็นความสำคัญของบุญคิดว่าทำบุญแล้วเสียเปล่าเลยไม่ได้ทำกันพอเวลาตายไปไม่สามารถเอาเงินทองติดตัวไปได้เพราใจไม่สามารถเอาอะไรไปได้นะ นอกจากบุญหรือบาปเท่านั้นอันนี้คือเรื่องบุญเรื่องบาปที่พวกเราอาจจะไม่เข้าใจกันเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้เอาบุญผู้ไปเอาบุญไปรับผลบุญรับผลบาปเพราะเรามองไม่เห็นใจนั่ใจไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกาย แต่ใจนี่เป็นเหมือนคู่แฝดของร่างกายเราเห็นแต่แฝดน้องคือร่างกายเราไม่เห็นแฝดพี่คือใจใจนี่แหละเป็นคนคอยบอกน้องให้ทำอะไรต่างๆน้องนี่ต้องรอให้พี่เป็นคนบอกพี่บอกว่าให้ไปกินน้องถึงไปกินพี่บอกให้ไปดื่มน้องถึงไปดื่ม พี่บอกให้ไปทําอะไรต่างๆทําบุญทําบาปน้องถึงจะทําทตามที่พี่บอกแต่ตัวพี่นี่เรามองไม่เห็นกันะตัวพี่ที่คอยบอกน้องให้ทําอะไรต่างๆนี้ไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายที่เป็นน้องร่างกายนี้เราเห็นมีอาการ32 เราเห็นท้าอาการเห็นผมขนและฟันหนังแต่จิตใจผู้เป็นพี่แฝดพี่นี้ไม่มีรูปร่างเหมือนน้องแฝดพี่นี่แหละเป็นผู้ที่เวลาแฝดน้องตายไปแฝดพี่ก็ต้องแยกออกจากแฝดน้องช่วงนั้นแฝดพี่ก็จะไม่สามารถอาศัยแฝดน้องให้ไป หาอะไรต่างๆมาให้แฝดพี่ได้เงินทองที่หามาได้พอแฝดน้องตายไปแฝดพี่ก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งให้แฝดน้องไปเอาเงินมาใช้ได้ถ้าแฝดพี่ไม่ฉลาดไม่เอาเงินที่ที่ให้แฝดน้องเป็นคนใช้นี้มาเปลี่ยนเป็นบุญเวลาที่ไม่สามารถที่จะสั่งให้แฝดน้อง ไปเอาเงินมาใช้ได้แฝดพี่ก็จะไม่มีเงินใช้วันนี้เทวดามาเชิญให้ท่านทั้งหลายาที่นั่งอย่างสบายจำ เ, เป็นที่จะต้องขยับขยายกันนั่งต่อก็ได้นะไม่นั่งต่อก็ได้ให้ตัดสินใจออกจะทำอะไรก็ทำถ้าไม่ทาก็นั่งต่อ เพราะว่าจะพูดแบบพูดไปแล้วไม่มีคนฟังก็ไม่อยากจะพูดเดี๋ยวรอยคนฟังไปตั้งหลักใหม่ก่อาจะตั้งที่ไหนะจะนั่งเก้าอี้ก็ย้ายไปที่ศาลาข้างหลังนั่นศาลาด้านหลังไปตั้งไว้ในศาลาด้านหลังก็ได้ขึ้นมาข้างบนนี้ต้องนั่งพับเพียบอะ แล้วต้องนั่งเงียบๆห้ามขยับห้ามพูดห้ามคุยธรรมะบนเขาเป็นธรรมะจัดสรรตามมีตามเกิดตามดินฟ้าอากาศฝนตกก็ก็ตกไปหันนั่งก็เปลี่ยนที่ไปที่นี่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างมาก มีเท่าที่จำเป็นอยู่ตามธรรมะจัดสรรธรรมะบอกให้เข้าศาลาก็ต้องเข้าศาลาธรรมะบอกให้นั่งข้างนอกก็นั่งข้างนอกเราเรียกว่าธรรมะจัดสรรตามมีตามเกิดถ้าธรรมะบอกให้นั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิ ถ้าฝนตกเสียงดังพูดแล้วไม่ได้ยินกอเดี๋ยวใครช่วยเก็บกล่องกระดานนี่หน่อยไหมเดี๋ยวเปียกเอากล่องเข้ามาแล้วก็ลำโพงเดี๋ยวพอย้ายเสร็จมันก็หยุด กลัวกกลัวฝนแต่ไม่กลัวน้ำอาบน้ำเปียกทั้งตัวไม่กลัวโดนน้ำฝนสองสาหยดกลัวบุญนี่แหละที่ทำให้ใจเป็นสวรรค์เป็นเทวดาขึ้นมาเพราะบุญให้ความสุขแก่จิตใจเหมือนกับเงินทองให้ความสุขกับร่างกายร่างกายไปไหนมาไหนมีเงินทองแล้วอยู่สุขสบาย มีเงินจ่ายค่าโรงแรมจ่ายค่าอาหารจ่ายค่าท่องเที่ยวจ่ายอะไรต่างๆอย่างใดบุญก็เป็นเหมือนเงินทองสําหรับจิตใจเวลาจิตใจไม่สามารถใช้ร่างกายพาไปเที่ยวที่ไหนได้จิตใจก็ต้องไปเที่ยวเองถ้ามีบุญติดตัวไปก็จะไปเที่ยวในสวรรค์ ถ้ามีบาปติดตัวไปก็จะไปเที่ยวในอบายน่อบายก็คือที่ไม่น่าไปนั่นเองที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากเช่นคุกตารางหรือไปอยู่ในปา่าอยู่ในอยู่ในทะเลทรายที่เหล่านั้นไม่มีใครอยากจะไปกันเพราะรู้ว่าไปแล้วมันไม่สุขไม่สบาย แต่ถ้าทำบาปก็จำเป็นจะต้องไปเหมือนกับถ้าทำผิดกฎหมายก็จำเป็นจะต้องไปอยู่ในคุกตารางในบุญกับบาปนี้อยู่ภายใต้กฎของกรรมกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีอายการมาตัดสินเป็นโดยอัตโนมัติทำบาปแล้ว เดี๋ยวถึงเวลาที่ร่างกายไม่ไม่มีใจก็จะถูกกดแห่งกรรมเป็นผู้จัดการถ้าทำบุญก็จะส่งไปอยู่ที่ที่มีแต่ความสุขถ้าทำบาปก็ส่งไปอยู่ที่มีแต่ความทุกข์ยากลำบากต่างๆนี่คือเรื่องของใจที่เป็นแฝดพี่ แฝดน้องเวลาตายไปเขาก็พาไปวัด <c oughs> พาไปวัดแล้วเขาก็เอาไปแยกให้กลับเขินสู่ดินน้ำลมใส่ร่างกายพอตายไปแล้วเขาก็เอาไปเผาหรือเอาไปฝังร่างกายก็จะกลับเขินสู่สภาพเดิมคือกลับเขินสู่ธาตุทั้งสี่ธาตุน้ำก็แยกออกจากร่างกายไป ธาตุลมก็แยกออกจากร่างกายไปธาตุไฟก็แยกออกจากร่างกายไปเหลือแต่ธาตุดินถ้าเอาไปเผาก็เหลือแต่ขี้เถ้าเหลือแต่เศษกระดูกนี่คือแฝดน้องส่วนแฝดพี่นี้ไม่ตายไปกับแฝดน้องแฝดพี่นี่แหละที่เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญผลบาปต่อไป แปดที่เวลาไม่มีแฟดน้องเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเวลาที่อยู่กับแปดน้องเราก็เรียกว่าจิตใจเหมือนเวลาที่สุภาพสตรีเป็นโสดอยู่คนเดียวก็เรียกว่านางสาวพอแต่งงานอยู่กับสามีก็เรียกว่านางคนเดียวคนคนเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเอง เปลี่ยนจากนางสาวไปเป็นนางในทางร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกันเวลาร่างกายยังมีชีวิตอยู่จิตใจที่อยู่กับร่างกายก็เรียกว่าจิตใจเป็นแฝดที่เป็นคนผู้เป็นคนคอยสั่งคอยบอกแฝดน้องให้ทำอะไรแฝดน้องนี้เป็นเหมือนคนรับคำสั่ง แฝดพี่เป็นคนสั่งเนี่ยเมื่อกี้นี้แฝดพี่ก็สั่งให้แฝดน้องลุกให้เปลี่ยนที่นั่งตรงนี้เดี๋ยวเปียกแฝดพี่เป็นคนสั่งถ้าไม่มีแฝดพี่ก็จะนั่งอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆคือคนตายคนตายนี่เหลือแต่แฝดน้องแฝดพี่แยกออกไปแฝดน้องก็ต้องกลับคขินสู่ดินน้ำนมไฟไป ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งถ้าไม่เผาไม่ฝังปล่อยมันไว้เดี๋ยวมันก็จะมันก็จะสลายไปเหมือนไอติมนะไอติมนี่มันเป็นรูปเป็นร่างเวลามันแข็งเวลามันเย็นนะพอเราออกมาตั้งไว้ข้างนอกตู้เย็นสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะแข็งกลายเป็นเหลวไปกลายเป็นน้ําไปะ แล้วถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปน้ำก็จะระเหยหายไปเหลือแต่คราบของไอติมที่เป็นดินเนี่ร่างกายก็เหมือนกันเนร่างกายมาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟพอร่างกายหยุดหายใจนร่างกายก็จะแยกตัวธาตุที่มารวมตัวกันก็จะมีการแยกออกจากกันธาตุลมไปก่อนเลย ธาตุลมไม่เข้าแล้วมีแต่ออกต่อมาก็ธาตุไฟก็ออกมาร่างกายคนตายนี้จะเย็นกว่าร่างกายคนเป็นลองไปจับดูสิจะรู้ว่าอ๋อร่างกายคนตายนี้ไม่มีไฟแล้วแล้วพอไฟหมดลมหมดขั้นต่อไปน้ําก็จะออกมาน้ําออกมาตามรูต่างๆ ถ้าปล่อยให้ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งน้ำก็จะออกมาหมดพอหมดแล้วก็จะเหลือแต่ของที่เป็นของแข็งหนังก็จะแห้งกรอบอวัยวะต่างๆก็จะแห้งกรอบแล้วก็จะต่อไปก็ผุพังกลายเป็นดินไปนี่คือร่างกายของพวกเราทุกคน จะต้องเป็นอย่างนี้ด้วยกันต่อไปเราจะอยู่แบบไม่มีร่างกายกันจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามจะอยากหรือไม่อยากก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวต่อไปร่างกายมันจะต้องหมดสภาพไปมันจะคืนกลับคืนสู่ที่มาของมัน มันมาจากธาตุสี่มาจากธาตุน้ำธาตุลมธาตุดินธาตุไฟเดี๋ยวมันก็จะแยกตัวกันกลับไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟใจที่เป็นธาตรู้ก็แยกตัวออกจากธาตุสี่ใจก็เปลี่ยนชื่อเวลาอยู่กับร่างกายเราก็เรียกว่าจิตใจ เวลาออกจากร่างกายแยกออกจากร่างกายเราก็เรียกว่าดวงวิญญาณเนน เ, เวลาคนตายนี่เราจะบอกว่าขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขคติไปสู่ที่ชอบที่ชอบแต่จะไปนี้ไม่ได้ไปเพราะคนบอกคนบอกสั่งให้ดวงวิญญาณไปไม่ได้ถ้าไปได้ก็ดีเวลาตายขอให้พวกเราช่วยบอกให้ไปนิพพานกันหน่อย จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายมันบอกไม่ได้ของพวกนี้ต้องทำต้องเตรียมตัวเตรียมการเอาไว้ถ้าไม่ทำมันก็ไม่ไปเหมือนกับจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยถึงเวลาอยู่ๆไม่เตรียมตัวไว้ก่อนจะไปต่างประเทศไปไม่ได้หรอกถ้าไม่ตีตัว๋วไม่ทำหนังสือเดินทางไม่ทําวีซ่า ไม่เตรียมแรกเงินเอาไว้ก่อนพอถึงเวลาจะขึ้นเครื่องเขาบอกตั๋วมีไหมก่อนจะขึ้นเครื่องเขาให้ผ่านอกองตรวจคนเข้าเมืองก่อนดูว่ามีหนังสือเดินทางหรือเปล่ามีวีซ่าหรือเปล่าถ้าไม่มีของเหล่านี้เขาไม่ให้ไปหรอกท่านใดดวงวิญญาณของพวกเราถ้าจะไปสวรรค์กัน ก็ต้องเตรียมตัวกันไว้ก่อนต้องเตรียมทําบุญกันให้มากๆต้องทําให้มันมากกว่าบาปให้ได้เ ร, เราทุกคนเขาไม่ปฏิเสธว่าเรื่องทําบาปนี่เรามีกันทุกคนใช่ไหมเพียงแต่ว่าจะบาปมากบาปน้อยอย่างน้อยก็ต้องโกหกแล้วหละอ่ะบางทีก็เดื่มสุราบ้างแลอะ หรือบางทีก็ขโมยข้าวของของคนนั้นคนนี้บ้างนะจะทำมากทำน้อยและบางทีก็ จ, จะฆ่าสัตว์บ้างนะดบยุงบ้างฆ่ามดบ้างฆ่ามแมลงบ้างเนหะล่านี้เป็นบาปนะบาปที่จะดึงใจให้ไปอาบายแต่ถ้าเราทำบุญกันอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบาปนะ บาปจะไม่สามารถดึงใจไปอบายได้แต่บาปไม่หายไปไหนเพียงแต่ว่าบาปยังไม่มีกำลังพอเพราะเราทาบุญกันไว้มากกว่าบาปบุญที่มีกำลังมากกว่าบาปก็จะดึงใจไปสวรรค์ก่อนเหมือนกับการชักขเขยื้อเห็นไหมเวลาชักขเขยื้กันมีคนสองฝ่ายดึงกันไปดึงกันมา ฝ่าย ไ, ไหนมีกำลังมากกว่าฝ่ายนั้นก็จะดึงเชือกไปทางที่ไปไปทางฝ่ายของตนนะอันนี้ก็เหมือนเงินใจเรานี่ก็เป็นเหมือนเชือกที่บุญกับบาปนี่จะมาชักกัเยอะกันจะมาดึงกันนะถ้าบาบน้อยกว่า บ, บุญบุญจะมีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสู่สุคติเนี่ย เวลาคนตายแล้วบอกขอให้ไปสู่สุคติเนะี่ยสุคติก็คือสวรรค์ชั้นต่างๆนี่มีสามระดับด้วยกันสวรรค์ชั้นเทพสวรรค์ชั้นพรหมที่มีรูปกับสวรรค์ชั้นพรหมที่ไม่มีรูปเนะี่ยมีสามระดับด้วยกันจะไปได้ต้องมีบุญดึงไปถ้าไม่มีบุญไม่ทําบุญบัวแต่ปล่อยให้ทําบาปไปเรื่อย เวลาตายไปบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปจะดึงไปทางอบายอบายก็มีสี่สถานีสถานีที่หนึ่งก็เรียกว่าเดลฉานถ้าทำบาปด้วยความหลงก็ไปเป็นเดลฉานสถานีที่สองก็คือเปรตถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆ อยากร่ำอยากรวยแต่รวยแบบไม่ทำบาปไม่ได้ก็เลยทำบาปไปช่อโกงไปโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นมาโดยมิชอบอันนี้ก็จะทำให้ไปเป็นเปรตเปรตนี้ไม่มีร่างกายเหมือนเดรัจฉานเดรัจฉานมีร่างกายเหมือนมนุษย์แต่เป็นร่างกายของเดรัจฉานของหมูของของแมวของสุนัขของอะไรพวกนี้ สนนักพวกสัตว์ในราชานี้อยู่มีความทุกข์ยากลําบากกว่ามนุษย์มนุษย์นี่เป็นพบที่กลางๆคือบาปก็ไม่มีกําลังดึงไปบุญก็ไม่มีกําลังดึงไปเช่นสมมุติเวลาตายไปบาปกับบุญมีกําลังเท่ากันบาปก็ดึงไปอบายไม่ได้บุญก็ดึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็จะมาเป็นมนุษย์น มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่าบุญถ้าทําบาปด้วยความหลงทําบาปเพราะคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเ ป, เป็นการดํารงชีพเช่นทำอาชีพที่ต้องฆ่าสัต ว, ว, ว์เป็นชาวนาชาวไร่ชาวเป็นชาวนาเป็นผู้เป็นผู้ที่เลี้ยงสัตว์หรือจับสัตว์มาขาย ชาวประมงชาวประมงไปหาปลามาเราก็เอาปลานี้ไปขายไปค้าเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพอันนี้ก็เหมือนกับพวกสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็เลี้ยงชีพด้วยการทําลายชีวิตของผู้อื่นทําลายชีวิตของผู้อื่นสัตว์เวลามันหิวมันต้องการอาหารมันก็หาสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากินนั่นเอง ยกเว้นพวกสัตว์ที่กินผักพวกสัตว์ที่กินผักนี่ก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ไม่ต้อง <c oughs> ไม่ต้องอไม่ต้องไปทำบาปแต่ จ, จะไปทำบาปด้วยการไปขโมยผักหรือผลไม้ของชาวบ้านอย่างช้างนี่มันออกมากินสับปะรดของชาวบ้านเนี่แต่มันไม่ฆ่า มันไม่ได้ฆ่าแต่มันทำบาปด้วยการลักทรัพย์ก็เป็นบาปเหมือนกันแต่เบากว่าบาปที่เกิดจากการลักทรัพย์แต่ถ้าไปกินของที่ไม่มีเจ้าของเช่นของอยู่ในป่าก็ไม่ได้ทำบาปพวกที่กินผักนี้หละเป็นพวกที่จะพ้นภยัยพ้นบาปต่อไปเพราะว่าไม่ได้ทำบาปบาปที่ส่งไปเกิดเดี๋ยวมันก็หมดกาลัง แต่ถ้ายังเป็นสัตว์ที่ยังต้องทำบาปอยู่มันก็ยังจะต้องอยู่เป็นสัตว์ต่อไปอีกนานอันนี้พวกแรกพวกที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นอันตรายต่อจิตใจของตนจะทำให้ตนต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่คิดว่าไม่เป็นไรเพราะว่าต้องเลี้ยงชีพนายต้อง ต้องฆ่าบ้างต้องทำบาปด้วยการโกงบ้างด้วยการหลอกลวงบ้างถ้าทำเพื่อเลี้ยงชีพนี้ก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าทำด้วยความโลภอยากจะรวยอยากจะมีมากๆทั้งๆที่ไม่จำเป็นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องทำบาปแต่ความอยากรวยอยากมีอะไรมากๆ ก็เลยทําให้ต้องทําบาปพวกนี้ก็จะเป็นเปรตเปรตนี้จะไม่มีไม่มีร่างกายเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยทุกข์ยากลำบากเพราะหิวโหวยพวกนี้แหละเป็นพวกที่จะมาขอบุญจากญาตพี่น้องเวลาตายไปแล้วจะมาเข้าฝันขอให้ช่วยส่งบุญไปให้หน่อย พวกที่สามที่อยู่ในอบายคือพวกอสุรกายพวกนี้เป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความกลัวขณะมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์นี้จะทำบาปด้วยความกลัวกลัวงูพอเจอ ง, ง, ง, งูก็จะฆ่างูกลัวแมลงเจอมะแลงก็จะฆ่าแมลงกลัวอะไรก็จะทำบาป เพื่อกำจัดความกลัวแต่ความจริมความกลัวไม่ถูกกำจัดสิ่งที่ถูกกำจัดก็คือสิ่งที่จะมาทําให้ใจกลัวอพวกนี้ก็จะไปเป็นอสุรกายเป็นดวงวิญญาณที่จะมีแต่ความกลัวหลอกหลอนจิตใจอยู่ตลอดเวลากลัวเรื่องนั้นกลัวเรื่องนี้กลัวสิ่งนั้นกลัวสิ่งนี้ พวกที่สี่เรียกว่านารกเนี่ยโรคนารกนี้คือพวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมใครมายา้มหน่อยย้มไม่ได้ย้มต้องมีการน้าแค้นกันฟันต่อฟันตาต่อตาพวกนี้ก็จะเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความร้อน ร้อมด้วยความรุ่มร้อนด้วยความอาฆาตพยาบาทเนี่ยถ้าเปรียบกับเวลาที่เรานอนหลับก็เหมือนกับฝันร้ายนี่เองทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทก็จะฝันแต่เรื่องฆ่าฝันกันล้างแค้นกันทำสงครามกันถ้าทำบาปด้วยความกลัวก็จะฝันแต่ เรื่องไปเจอเรื่องที่หน้าหวาดเสียวหน้าหวาดกลัวต่างๆถ้าทำบาปเพราะความโลภ ก, ก็จะฝันว่าไปอยู่ที่ตกทุกข์ยากลำบากไม่มีเงินไม่มีทองใช้หาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอไม่ไม่พอใช้เงินทองไม่ค่อยพอใช้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับดวงจิต ดวงใจที่มองไม่เห็นที่ไม่มีรูปร่างแต่เป็นเป็นของที่มีจริงๆเนยเหมือนกับมนุษย์ล่องหนเนเรายังเชื่อเรื่องมนุษย์ล่องหนกันเลยใช่ไหมสมัยเด็กๆอ่าหนังสือการ์ตูนเะก็จะมีมนุษย์ล่องหนแต่มนุษย์ล่องหนพวกนี้ใส่เสื้อผ้าได้ทำให้เห็นเห็นเสื้อผ้าของมนุษย์ล่องหน แต่ไม่เห็นตัวของมนุษย์ล่องหนใจนี่แหละเป็นมนุษย์ล่องหนใจนี่แหละเป็นผู้ทาบุญทาบาปใจนี่แหละที่จะไปรับผลบุญผลบาปหลังจากที่ร่างกายตายไปและขณะที่มีชีวิตอยู่ก็รับผลบุญผลบาปไปในสภาพของความฝันเวลานอนหลับถ้าเป็นบุญ ก็จะฝันดีถ้าเป็นบาปถ้าพาฝันก็จะฝันร้ายแล้วเวลาตื่นก็ถ้ามีบุญก็จะมีความสุขถ้ามีบาปก็จะมีความทุกข์เนี่ยมันส่งผลตั้งแต่เราทำเลยพอเราทำบุญทำบาปปั๊บนี่ใจเราจะเกิดความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันที เราสังเกต ด, ดูชีวิตของเราว่าในชีวิตของเราเวลาเราเตือนนี่เรามีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หรือไม่หรือมีความทุกข์มากกว่ามีความสุขหรือมีเท่าเท่ากันสุขบ้างไม่ทุกบ้างสลับกันไปก็สแสดงว่าบุญกับบาปที่เราทำมันเท่ากันทำบุญทำบาปเท่ากันมันก็จะมีสุขมีทุกข์สลับกันไปถ้าทาบาปมากกว่าทาบุญ มันจะรู้สึกว่ามีความทุกข์มากกว่ามีความสุขนะถ้าทำบุญมากกว่าทำบาปก็จะมีความรู้สึกว่ามีความสุขมากกว่ามีความทุกขนะ์นี่ขณะที่ตื่นนะขณะที่ร่างกายยังไม่ตายบุญและบาปมันก็เริ่มแสดงผลทันทีนะและเวลานอนหลับมันก็จะแสดงต่อในรูปแบบของความฝัน ถ้าเราฝันดีอยู่เรื่อยๆแสดงว่าเราทาบุญมากกว่าทำบาปนะถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆแสดงว่าเราทำบาปมากกว่าทำบุญนะแล้วพอเราตายไปเราก็จะอยู่ในสภาพของความฝันดีฝันร้ายไปเป็นเวลาอันยาวนานเลยขณะที่มีร่างกายเราจะฝันไม่กี่ชั่วโมงเพราะเราจะนอนหลับไม่กี่ชั่วโมง ห6กชั่วโมงเจ็ดแปดชั่วโมงเราก็ตื่นขึ้นมาความฝันที่เราฝันก็จะหายไปแต่เวลาที่ร่างกายมันตายไปเนี่ยเราไม่มีร่างกายตอนนั้นเ ร, เราจะฝันยาวเลยฝันไปจนกว่าเราจะได้ร่างกายอันให ม, ม่ก่อนที่เราจะได้ร่างกายอันใหม่เราฝันของเราต้องหมดกำลังก่อนถ้าเป็นบุญก็ต้องฝันไปจนกระทั่งบุญหมดกำลัง บุญไม่สามารถผลิตความฝันดีให้เราได้บาปก็ไม่มีกําลังที่จะผลิตความฝันร้ายให้กับเราได้ตอนนั้ น, เ, นเราก็จะไปรอรับร่างกายอันใหม่พอเราได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่มาเราก็จะเต้นขึ้นมาเหมือนกับการนอนหลับยาวเลยนอนหลับแบบเปลี่ยนร่างกายเวลาตายไปนี่เหมือนกับเราไปเปลี่ยนร่างกาย ร่างกายที่เรามีอยู่นี้มันแก่แล้วมันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สามารถที่จะอยู่ต่อไปได้ใจก็ต้องทิ้งร่างกายนี้ไปแล้วใจก็จะไปอยู่ในโลกของความฝันฝันดีฝันร้ายฝันดีก็เป็นสวรรค์ฝันร้ายก็เป็นอบายจนกว่าจะได้ร่างกายอันใหม่พอออกจากท้องแม่ขึ้นมาก็จะตื่นขึ้นมาทันที เด็กพ่อจากท้องแม่นี่ก็เหมือนตื่นจากความฝันยาวแล้วก็จะมาเริ่มทาบุญทำบาปใหม่อีกต่ออีกรอบหนึ่งเพราะเคยทำอะไรมันก็จะติดเป็นนิสัยเคยทำอะไรเคยทำบุญก็จะมาทำบุญต่อทำบาปก็จะทำบาปต่อยกเว้นถ้ามีคนคอยสอนคอยบอกคอยห้าม เป็นตอนเด็กๆพ่อแม่ถ้าไปอยู่กับพ่อแม่ที่ชอบพาทำบุญก็จะสอนให้ลูกทำบุญสอนให้ลูกไม่ให้ทำบาปถ้าไปอยู่กับพ่อแม่ที่ไม่ชอบทำบุญชอบทำบาปพ่อแม่ก็จะสอนให้ทำบาปไม่ได้สอนให้ทำบุญอันนี้ก็จะถูกหล่อหลอมด้วยพ่อแม่ก่อนแล้วต่อไปพอเวลาโตขึ้น ถ้าทําตามที่พ่อแม่สอนก็อาจจะติดนิสัยตอบทําต่อไปหรือว่าถ้ามีนิสัยที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่พ่อแม่สั่งสอนก็อาจจะไปทําตามนิสัยเดิมถ้าชอบทําบาปถึงแม้ว่าเวลาตอนเป็นเด็กอยู่กับพ่อแม่พ่อแม่จะสอนไม่ให้ทําบาปก็ตามแต่พอเวลาโตขึ้นไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แล้ว ก็ จ, จะไปทําบาปต่อไปเช่นเดียวกับพวกที่ชอบทําบุญถึงแม้จะไปอยู่กับคาอครัวกับพ่อแม่ที่ชอบทําบาปพ่อแม่สอนให้ทําบาปตอนเป็นเด็กก็ทําตามแต่พอโตขึ้นเป็นตัวของตัวเองก็จะเลือกทําบุญแทนที่จะทําบาป น, า น, นี่คือการเวียนว่าตายเกิดของดวงจิตดวงใจของเรา มันทำอย่างนี้มาเรื่อยๆเปลี่ยนร่างกายมาเรื่อยๆเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ล้านล่างแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนร่างกายมานี่มากกว่าเสื้อผ้าที่เราเปลี่ยนในรุดในชาตินี้เสื้อผ้าในชาตินี้เราเปลี่ยนไม่ถึงร้อยชุดบ้างสองร้อยชุดเอาอตั้งแต่ตอนเป็นทารกจนถึงตอนแก่ตอนตายนี้เสื้อผ้าที่เราซื้อมาเปลี่ยนมาใส่นี่ คงไม่ถึงสองร้อยชุดหรอกถ้าเราเป็นคนธรรมดานอกจากคนที่ร่ำรวยอาจจะมีเป็นพันชุดก็ได้แต่คนธรรมดาทั่วไปคิดว่าในชีวิตอย่างนี้เปลี่ยนเสื้อผ้าสักสองร้อยชุดก็มากพอสมควรแล้วแต่ร่างกายที่เราเปลี่ยนมานี่มากกว่าเสื้อผ้าที่เรามาเปลี่ยนกันในชาตินี้มันเป็นจำนวนที่เรานับไม่ได้นะ มันเป็นล้านคูดล้านขึ้นไปนั่ยนะถ้าอยากจะรู้ว่ากี่ล้านคูดล้านก็ลองนึกถึงน้ำตาที่เราหลังในแต่ละภพแต่ละชาติเดีวยวทุกชาติที่เรามาเกิดนี่เราต้องร้องไห้กันนะอย่างน้อยตอนเด็กๆนี่ร้องบ่อยเอยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ร้องนะถ้าเราเก็บน้ำตาที่เราร้องนี้ไว้มารวบรวมกันเนี่ย ในแต่ของแต่ละพบแต่ละชาติมารวมกันท่านบอกว่าน้าตามากกว่าน้าในมหาสมุทรคิดดูว่าจะต้องมาเกิดมาร้องไห้กันกี่ครั้งด้วยกันถึงจะมีน้าตามากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรนั่นและคือการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราที่ทํากันมาอย่างโชคโชนทํากันมาอย่างเป็นเป็นล่าเป็นสรร คือทำกันอย่างชำนาญพูดง่ายๆทำโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีใครสอนพอมาเกิดปับ๊บเดี๋ยวก็ไปทำบุญท ำ, ทำบาปกันแล้วเพราะมีความอยากได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้อยากไปดูสิ่งนั้นอยากจะไปฟังสิ่งนี้ถ้าไม่สามารถไปทำตามความอยากได้โดยไม่ทำบาป ก็จะเลือกวิธีทำบาปกันยต่ไม่เลือกวิธีไม่ทำยกเว้นคนที่ถูกฝึกมาในอดีตชาติฝึกให้ไม่ให้ทำบาปถ้าอยากได้อะไรถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีสุจริญ ก, ก็ให้หยุดหยุดความอยากนั้นอย่าไปหามันดีกว่าอย่าไปหาโดยวิธีทำบาปแต่คนอย่างนี้มีน้อยมีบ้าง ท่านบอกว่าเป็นเหมือนกับขนวัวส่วนคนที่ทำบาปด้วยทำบาปทาตามความอยากด้วยการทำบาปท่านบอกอยพูดผิดคนที่ทำดีนั้นเป็นเหมือนเขาวัวส่วนคนที่ทำบาปนี่เป็นเหมือนขนวัวมีมากกว่าเยอะแยะวันนี้ตกจริงแล้วนะ อ่าตอนนี้ก็จะขอพักก่อนใครอยากจะถวายข้าวของต่อก็เชิญถวายได้อพูดตอนนี้เสียงมันดังฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตดวงใจของพวกเรา<ม>ก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันหยุด เหมือนกับรถที่ไม่มีเบรกวิ่งลงเขานะมันจะไม่หยุดมันจะวิ่งลงไปเรื่อยๆมันจะหยุดก็ต่อเมื่อมีอะไรมาขวางกั้นไว้เช่นมีต้นไม้มาขวางกั้นถนนมันวิ่งผ่านต้นไม้ไปไม่ได้มันก็จะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเรา มันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อมาเจอพระพุทธศาสนานี่เอง <Yeah. S 1> ถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าก็ดีมีพระธรรมคำสอนก็ดีหรือมีพระอริยสงสาว ก, ก็ดีท่านก็จะมาสอนวิธีให้เราหยุดการเวียนว่ายตายเกิดกัน <Yeah. S 1> เพราะการเวียนว่ายตายเกิดนี้มันมัมนทุกข์นั่นเอง มันต้องร้องไห้กันต้องเศร้าโศกเสียใจกันถ้าไม่อยากจะเศร้าโศกเสียใจไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะแกะ่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายก็อย่ามาเกิดกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้ค้นพบวิธีที่จะทำให้มไม่ให้กลับมาเกิดกันแล้วท่านก็สอนคนอื่นคนอื่นที่ฟังแล้วออาไปปฏิบัติ แล้วหยุดการเกิดได้ก็เป็นพระอริยาสาวกพระอริยาสาวกกับพระพุทธเจ้าก็จะเป็นคนที่มาคอยสอนคอยบอกพวกเราถ้าพวกเราไม่อยากที่จะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเวลาตายไปก็ต้องไปอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่ดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเราไม่อยากจะเป็นอย่างนี้ ไปเรื่อยๆ ย, ยังไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งพระพุทธเจ้าก็ได้พระธรรมคาสอนก็ได้พระอริยสงสารก็ได้เพราะท่านจะสอนวิธีให้เราหยุดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายหยุดการมาเวียนว่ายตายเกิดกันวิธีที่ท่านสอนก็นง่ายๆมีอยู่สามขั้น ขั้นที่หนึ่งให้ทำบุญทำทานอย่าเอาเงินไปเที่ยวอย่าเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยอย่าเอาเงินไปใช้ตามความอยากให้เอาเงินมาทำบุญทำทานแทนแล้วเราจะหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้หนึ่งส่วนเพราะว่าส่วนสิ่งที่มาทำให้เรามาเกิดกันอยู่เรื่อยๆก็คือความอยากนี่นเอง อยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มนี้พอเราจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มต้องใช้เงินทองถึงจะไปได้เราก็เอาเงินทองนี้ไปทำบุญแทนต่อไปความอยากเที่ยวอยากกินอยากดื่มอยากซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆมันก็จะหายไปการกลับมาเกิดก็จะพบชาติก็จะถูกลดลงไปหนึ่งในสามแล้ ว, วาาการทำบุญทำทานนี้ช่วยลด แต่ยังไม่หมดต้องทำข้อที่สองก็คือรักษาศีลห้าออหยุดการกระทำบาปออทำบาปด้วยความโลภทำบาปด้วยความกลัวออความบากด้วยความจำเป็นอะไรทั้งหลายเหล่านี้อย่าทำเพราะทำแล้วต้องไปรับผลบาปออออในอบายเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วออแล้วก็ให้มาหัดภาวนาเขาเรียกว่าจิตตภาวนา คือการนั่งสมาธิการฟังเทศฟังธรรมให้เกิดปัญญาเรียกว่าสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบด้วยการนั่งสมาธิเพราะเวลานั่งสมาธิแล้วจะหยุดความอยากต่างๆได้หมดเลยแต่หยุดได้ชั่วคราวเหมือนเบรกรถเบรกได้พอเหยียบเบรกรถก็หยุด รถที่วิ่งลงเขาเพอเราเหยียบเบรคมันก็จะหยุดไหลแต่พอเราปล่อยเบรคมันก็จะไหลใหม่ใจของเราถ้านั่งสมาธิเราก็จะหยุดการไปเกิดความอยากต่างๆได้ตัวที่จะพาให้เราไปเกิดได้แต่หยุดได้เดี๋ยวเดียวหยุดไม่ได้ตลอดยังไปเกิดอยู่พอเวลาเราปล่อยเบรคปั๊บมันก็จะไปเกิดใหม่ทันทีถ้าอยากจะให้มันไม่ไปเกิดอะไรนี่ เราต้องอปฏิบัติทำขั้นที่สูงสุดคือเรียกว่าขั้นปัญญาขั้นปัญญาก็จะสอนให้เราให้เห็นโทษของความอยากว่าการทําตามความอยากนี้จะพาให้เราต้องไปเกิดไปแก่ไปเจ็บไปตายอยู่เรื่อยๆจะทําให้เราต้องทุกข์กับสิ่งที่เราอยากได้กันสิ่งที่เราอยากได้เราคิดมักจะคิดว่ามันให้ความสุขกับเรา แต่พอเราได้มาแล้วถึงจะรู้ทีหลังวา่ามันไม่ได้ให้ความสุขอย่างเดียวมันให้ความทุกข์ด้วยเช่นมีครอบครัวอย่างนี้อยู่คนเดียวตอนต้นก็คิดว่าไม่มีความสุขคิดว่าถ้ามีครอบครัวเราจะมีความสุขพอได้ครอบครัวมาแล้วมันก็ได้ของแถมมาด้วยได้ความทุกข์มาด้วยได้ความวิตกความกังวลความห่วงใย รับได้ภาระที่จะต้องเลี้ยงดูครอบครัวอยู่ตัวคนเดียวนี่สบายไม่ชอบชอบอยู่หลายเลี้ยงปากเดียวไม่พอต้องชอบเลี้ยงหลายปากด้วยกันนี่เพราะขาดปัญญาเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วจะคิดว่ามันดีอย่างเดียวถึงต้องใช้ปัญญามาคอยสอนใจว่าอย่าไปอยากได้อะไรอย่าไปอยากมีอะไรเพราะได้มาแล้วได้ไม่คุ้มเสีย ได้ความสุขมาไม่คุ้มกับความทุกข์ที่จะได้มาถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้ในโลกนี้มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราว่าเวลาที่มันจากเราไปนี่มันจะทำให้เราร้องห่มร้องไห้กันเวลาอยู่เราก็จะหวาดกลัวกันกลัวจะจากกันกลัวจะไม่เห็นหน้ากันกลัวจะตายจากกัน ถ้ามีปัญญาแล้วมันก็จะหยุดความอยากได้นี่คือวิธีที่เราจะหยุดการกลับมาเกิดการมาเกิดนี้เกิดจากความอยากสามอยา่างความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต้องมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายไม่มีตาก็หาความสุขทางตาไม่ได้ไม่มีหูก็หาความสุขทางหูไม่ได้จึงต้องมามีร่างกายต้องมาเกิดกัน พอ เ, เกิดแล้วก็ต้องมาทุก์กับการเลี้ยงดูร่างกายปกป้องรักษาร่างกายแล้วก็มาทุก์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายนี่คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วความอยากมีอยากเป็นอยากร่ำอยากรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตแล้วก็ความอยากไม่สูญเสียสิ่งที่ได้มาได้อะไรมาก็อยากจะให้อยู่กับเราไปเรื่อย พอไม่อยู่เราก็ต้องไปหาใหม่มาทดแทนมันพอเสียร่างกายอันนี้เราก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนอยู่เรื่อยๆถ้าเราตัดความอยากทั้งสามนี้หมดไปจากใจด้วยการใช้ปัญญาสอนใจว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันจะทำให้เราทุกข์มากกว่าทำให้เราสุขสู้อยู่เฉยๆดีกว่าอยู่กับความสงบดีกว่าทำใจให้สงบใช้สติ พุโทโธพุโทโธหยุดความอยากหยุดความคิดดีกว่าพอใจหยุดความคิดหยุดความอยากได้แล้วก็สบายมีความสุขมีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นี่คือการปฏิบัติง่ายๆสข้อถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิด แบบไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจะเกิดขึ้นได้ก็ตอนเมื่อเรามาได้พบกับพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้ว่ามาเกิดได้อย่างไรไม่มีใครรู้ว่าจะหยุดการมาเกิดได้อย่างไรชาตินี้พวกเราจึงถือว่าโชคดีมากนานๆจะได้มีพระพุทธศาสนามาปรากฏ มาสั่งมาสอนสัตว์โลกให้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดกันเสียทีถ้าเราพบพระพุทธศาสนาแล้วมีศรัทธามีความเชื่อมีความเลื่อมใสเข้าหาพระศาสนาศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติได้เราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปผู้ที่ ทำได้เราก็มีไปเห็นเป็นตัวอย่างคือพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เรียกว่าพระสุปฏิปันโนพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเวลาตายไปกระดูกของท่านจะกลายเป็นพระาธาตุกระดูกคนธรรมดานี้จะเป็ น, เ, ปนเศษกระดูกแต่กระดูกของพระอรหันต์ผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดแล้วบางส่วนจะกลายเป็นาธาตุไป เป็นเหมือนก้อนเห็นไม่ได้เป็นกระดูกเราเรียกว่าธาตุเราเรียกว่ า, า, ร า, รวาพระธาตุอย่างพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระบรมรา ส, สารีริกธาตุที่บรรจุไว้ในเจดีย์พระอาหารหันต์ก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าไม่กลับมาเกิดแล้วกระดูกบางชิ้นบางส่วนบางก้อนจะกลายเป็นพระธาตุขึ้นมาอันนี้เป็นการยืนยันว่า การยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นไปได้เป็นจริงไม่ใช่ของโกหกหลอกลวงผู้ที่ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแล้วนี้กระดูกบางส่วนจะกลายเป็นาธาตุไปเป็นาธาตุดินเป็นก้อนหินเหมือนก้อนหินเนี่ยนี่แหละคือเรื่องราวของพวกเราและเรื่องราวของพระพุทธศาสนาที่มาเกี่ยวข้องกันก็ตรงที่ว่าเราต้องพึ่งศาสนา เราต้องมีศาสนาเราถึงจะพ้นทุกข์พ้นการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าเราไม่มีศาสนาเราก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดกันไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดอย่างนั้นเมื่อเราได้มาพบแล้วขอให้พวกเราจงเสริมสร้างศรัทธาด้วยการเข้าหาด้วยการหมั่นศึกษาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อย เดี๋ยววันหนึ่งมันจะร้องอ๋อขึ้นมามันจะเข้าใจแล้วมันจะพัสทับใจแล้วมันก็จะเกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติแล้วพอมันปฏิบัติแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้รับผลอย่างแน่นอนเพราะนี่เป็นความจริงใครทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะได้รับผลและมีผู้ที่รับผลเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอย่างมากมายคือพระสุ ป, ปฏิปันโนทั้งหลายนั่นเอง จึงขอให้ท่านจงน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าสู่ใจด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเถิดเพราะผลอันยิ่งใหญ่คือการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดจะเป็นผลที่จะปรากฏขึ้นมาต่อไปนั่นเองการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 จันโทปนะราโสยทามณีโชติราโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะตะวันตระยุสุขีทีคายุโกภวะ อาพิวัฒนสีริศานิจังวุธาปจายนโนจตารโธรมมวทานติอายุวันโอสุขังพาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ ค่ะวันนี้จาก Facebook 362 YouTube 350ห้าวิทยุออนไลน์19ผู้รับฟังบนเขา40่รวมทั้งสิ้น7 7็อ็ท่านค่ะวันนี้เยอะนะ u t u b e วันนี้เยอะ350ยห้าบแล้วขึ้นไปเรื่อยๆนะ YouTube ต่อไปอาจจะแซง Facebook ก็ได้ก็ช่วงนี้เปิดโอกาสให้ใครใมีคำถาม อยากจะถามอะไรก็ถามได้นไม่บังคับนะ ถ, ถ้ามีคําถามอยากถามก็ถามถ้าไม่มีก็ไม่ต้องถามเดี๋ยวเจ้าจะถามต้องพูดผ่านทางไมโครโฟนะพูดใกล้ๆปากหน่อยเสียงจะได้ดังค่ะจะกราบเรียนถามท่านอาจารย์นิดนึง่ะคะพอดีเมื่อกี้ที่ได้ฟังทำท่านอาจารย์นะคะแล้วท่านอาจารย์ได้พูดถึงว่าถ้าในกรณีที่เราฝันนะคะ ว่าถ้าเราฝันร้ายนี่หมายถึงว่าอ่าหนูฟังไม่ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่อะคะว่าหมายถึงว่าบุญเรามันหมดหรืออะไรยังไงคะถ้าฝันร้ายกับฝันดีนะคะอยากฝันร้ายก็บาปมันมีกําลังมากกว่าบาปมีกําลังมากกว่านะคะจะไปภายเราฝันร้ายช่วงนั้นบาปมากกว่าบุญถ้าโชคไหนเราฝันดีก็ช่วงนั้นบุญมากกว่าบาปเพราะในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เราจะทําบุญบาปสลับกันไป ช่วงไหนไปทอดกระถินไปทำภาพป่าไปทําบุญนะช่วงนั้นก็จะนอนฝันดีช่วงไหนไปขโมยเงินไปโกหกหลอกลวงคนนั้นคนนี้ช่วงนั้นมันก็จะฝันร้ายพอดีเพื่อนเพื่อนเพิ่งเล่าเรื่องความฝันให้ฟังนะคะ่ะแล้วเขาก็ฝันร้ายหนูก็เลยนึกถึงในกรณีนี้คะ่ะ เ, เดี๋ยวจะได้ลองออลองคุยกับเขาดูค่ะนั่นแหละแล้วเราจะทราบได้อย่างไรคะว่าบุญบาป ตามทันกันหรืออะไรในกรณีแบบนี้ค่ะอย่างความฝันเนี้ยค่ะวันนี้หนูหนูทราบและเรื่องนึงอะค่ ะ, ะแล้วในกรณีไหนอีกคะท่านอาจารย์ก็นี่แหละกรณีเหล่านี้เรียกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราช่วงที่เราตื่นบางทีส้มหล่นนี่ก็เรียกว่าบนตามมาส่งให้เราเวลาไปเจ อ, อปุบเจอปัญหากับคนนั้นคนนี้เรื่องนั้ น, เ ร, น, นเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของบาปเรื่องของเวรกรรม ถ้าเจอเรื่องร้ายๆก็เรียกว่าเป็นเรื่องของเวรกรรมถ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของอุบัติเหตุหรือเป็นเรื่องสุดวิสัยเป็นเรื่องที่เกิดจากคนนั้นคนนี้ที่มาตามจองผานจองล้างจองเวรจองกรรมเราช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นช่วงของบาปส่งผลให้กับเราช่วงไหนได้ดิบได้ดีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมันมาเองเหมือนส้มหลน่นนี้ก็เรียกว่า มันมาเรื่องของบุญถ้าเราไม่าสามารถหาสาเหตุได้ว่ามันดีได้อย ah ่างไรเราก็ไม่ได้ขยันมากกว่าเดิมเราก็ไม่ได้ทําอะไรมากกว่าเดิมแต่ทํามาอยู่ดีๆรายได้มันเยอะยมันเยอะขึ้นมาอย่างนี้ก็อาจจะคิดว่าอ่าเป็นช่วงของบุญมันส่งผลค่ะเริ่มเข้าใจแล้วครัจังหวะชีวิตเราขึ้นๆลงๆใช่ไหม บางจังหวะก็ดีโลดล่วงโลดรุง่งโลดบางช่วงล่องก็อับเฉาเนี่ยแหละมันเรื่องของบุญของบาปเหมือนกันค่ะสาธุค่ะท่านอาจารย์คแสดงทั้งขณะที่ตื่นสแสดงทั้งขณะที่หลับถึงเราถึงบอกว่าเวลาตื่นถ้าเราสุขก็สแสดงว่า่องนั้นบุญส่งผลถ้าเวลาทุกข์เรื่องวันะั้นแสดงว่า บาปส่งผลนะ <Okay. S 2> ถ้าทุกข์ใจนี่แสดงว่าโดนบาปหลุมเลาแล้วถ้าสุขใจนี่แสดงว่าบุญมาแล้วถ้าบางครั้งสุขบ้างทุกข์บ้างนะคะบางทีก็สามารถก็ผัดกันสลับกันใช่ไหมคะก็บุญกับบาปเราก็ทำสลับกันไม่ใช่เลย <c oughs> บางทีก็ทำบุญบางทีก็ทำบาป <c oughs> ถ้าเราอยากใช้มันมีแต่บุญอย่างเดียวเราก็ต้องพยายามอย่าทำบาปทำแต่บุญ พระพุทธเจ้าทังสอนให้ละการกระทํำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมเนี่ยคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องความสุขทุกข์ของเราที่เราไม่คิดกันเราไม่รู้กันว่ามันเกิดขึ้นกับเราทุกเวลานาทีเลยทั้งขณะที่ตื่นทั้งขณะที่หลับทั้งขณะที่ตายเนี่ยมันส่งผลตะลอดเวลากับจิตใจค่ะสาธุค่ะชัดเจนนะ ชัดจเจนชัดเจนแล้ว ข, ข, ขอบพระคุณค่ะส่งไลนไปหน่อยมีคคำถามข้ากล้าเลี้ยงถามอาจารย์ครับถ้ารู้ในในในสมาธิเป็นที่เป็นความสงบนั้นเป็นเราไหมครับอะไรเนาะถ้ารู้ถ้ารู้ก็เป็นถ้ารู้หรมันไม่มีเราหรอกเรามันเกิดจากสมมุติ ที่ท่านรู้สมมติขึ้นมาเท่านั้นท่านรู้เป็นเหมือนคนเขียนนิยายแต่งนิยายเมแต่งว่าเป็นเราเป็นเขาขึ้นมาทนี้จังขานสัญญาปรุงแต่งขึ้นมาความคิดปรุงแต่งขึ้นมาปรุงว่าเราเป็นเราา จ, จริงท่านรู้มันเป็นเพียงแต่ท่านรู้แล้วมันมีความคิดความคิดมันก็เลยพิจดารชอบแต่งเป็นเรื่องเป็นเราขึ้นมาพอหยุยหดฌนคิดไอ้ตัวตนก็หายไปใช่ไหม ครับเลอแต่ตัวรู้และตัวรู้เป็นเราไหมครับก็มันไม่ได้บอกเป็นเราทักหน่อยไปถามมันเป็นเราได้ไงมันก็เป็นตัวรู้ให้ตัวเราในตัวสังขารไปบอกว่าเป็นตัวเรามันอยากได้มัน อ, อ, อยากได้ทอนหยุดสังขาปรปั๊บตัวเรามันก็หายไปก็เหลือแต่ตัวรู้แล้วยังมาถามว่าตัวรู้เป็นเราหรือเปล่าอยากให้มันอยู่ตลอด มันอยู่ตลอดเพียงแต่เราไม่ทำให้มันอยุ่เราไม่ไปอยู่กับมันเองเราชอบนี้มันเนี่ยเราชอบไปมีแฟนไปมีนู่นมีนี่เราก็หนีตัวรู้อย่างบอกยาอยากให้มันอยู่ตลอดก็ไปนั่งสมาธิอยู่เรื่อยๆพอนั่งสมาธิจิตสงบตัวรู้มันก็อยู่กับเราแล้ะเพราะเราไม่ได้หนีมันแล้วหนีมันเองที่ตัวรู้ไม่ได้อยู่กับเราเพราะเราไปอยู่กับไอ้ตัวคิด ชอบไปอยู่ไอ้ตัวคิดตัวคิดมันก็เลยพาเราไปเมืองนอกเมืองนาพาเราไปมีแฟนมีลูกมีเต้าเนี่ยพอเรามาหยุดปับ๊บเราก็จะอยู่กับตัวรู้ฮะสาธุครับตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่สุขแท้จริงเอสักตว์ว่ารู้เนี่ยเป็นความสุขที่เหลือความสุขทั้งปวงแต่เราไม่รู้กันถูกความหลงหลอกให้เราไปตามความคิดกัน แนวคิดมันก็หลอกให้เราไปมีเลรามีครอบครัวมีลูกมีเมีย ม, มีสมบัติมีอะไรกันแล้วก็มาหลังน้ำตามาร้องห่มร้องไห้กันเพราะมันไม่เที่ยงถึงต้องมาสอนใจหม่สอนด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเราจะได้หยุดความคิดความอยากได้เราจะได้กลับมาอยู่กับตัวรู้ได้ครับผมหัยใจสาธุครับ คำถามจากทางบ้านนะคะพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าเวลากลางคืนผมนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าพุธหายใจออกโทเวลากลางวันผมใช้คำบริกรรมพุธโทอย่างเดียวไม่ได้ดูลมหายใจทำแบบนี้ได้ไหมครับได้ทำให้หยุดความคิดให้ได้ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันให้รู้เฉยๆอย่าไปตามความคิดนะอย่าที่เราจเจริสติเนี่ยเพื่อหยุดจิตไม่ไปตามความคิด ให้ให้รู้เฉยๆทําอะไรก็ให้รู้เฉยๆว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ถ้าคิดก็คิดแต่เฉพาะงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นเองเพราะเวลาทํางานมันก็ต้องคิดบ้างขับรถมันก็ต้องคิดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังคิดแบบนี้ไม่เป็นไรแต่อย่าไปคิดเพอ้อฝันเพ้อเจอ้อถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันถ้าไม่คิดได้ยิ่งดีถ้าทํางานแบบไม่คิดได้ยิ่งดี เป็นงานของพระนี้ไม่ค่อยคิดเท่าไหร่เดินบินธบาตก็ไม่ต้องคิดอะไรเพียงแต่ให้รู้ว่ากําลังเดินกํากลังเปิดฟ้าบาทปิดฟ้าบาทเท่านั้นงานของพระเป็นงานที่พระพุทธเจ้าออกแบบให้ให้ทําเพื่อว่าเป็นงานที่คิดน้อยที่สุดเพราะเราต้องการหยุดความคิดเพราะเราว่างจากการงานที่จําเป็นต้องทําเราก็มานั่งสมาธิมันก็จะหยุดความคิดได้อย่างรวดเร็วอย่างง่ายได้ แต่ถ้างานเขาญาติโยมนี้มันคิดมากคิดวางแผนคิดอ น, นุนคิดไอ้นี่กันพอกลับบ้านจะมานั่งสมาธิโอ้ยมันยังคิดอยู่นั่นอะ่ะยังเอางานกลับมาทําที่บ้านต่อเออต่อไปจากสุทธสีโลพิกขุนะคะกราบเรียนถามพระอาจารย์ความหิวที่เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่เป็นผัสสะจะมีขึ้นเฉพาะตอนที่ร่างกาย เฉพาะตอนที่มีร่างกายหรือเมื่อร่างกายแตกดับความหิวนี้จะติดตามไปด้วยเพราะเป็นความคุ้นชินของจิตหรือว่าพอร่างสลายแล้วความหิวนี้สลายไปด้วยไหมครับไม่สลายหลอกมันอยู่ที่จิตความหิวก็คือตันหาความอยากนั่นเองพออยากรูปอยากเสียงอยากกินอยากรถมันก็จะหิวในใจเป็นเปรขึ้นมาถ้าไม่มีร่างกาย จะคุณสาวน้ย้ยกราบเรียนพระอาจารย์หากใจเราเกิดความโกรธขึ้นมาแต่อดทนไว้ยังไม่ได้ทำให้ไปกระทบใครแต่ความคิดวิจารณ์เขาในใจแบบนี้บาปไหมเลี้ยงแม่อยู่บางครั้งก็สงสารท่านบางครั้งก็โมโหท่านบ้างบาปมั่งบุญมั่งถ้ายังไม่ออกไปทางกายทางวาจายังไม่บาปแต่ถ้าอยู่ในใจเรียกว่าอากุศล นั้นก็ควรที่จะหาวิธีกำจัดมันเช่นน้ำนึกถึงบุญคุณของแม่ว่าแม่เขาทุกข์ยากลำบากอดทนกับเรามามากกว่าเราแค่นี้เราอดทนให้กับแม่บ้างไม่ได้หรือคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่ไม่คิดจะอคุศลต่อแม่ต่อไปจะคุณวีวิทซาการพิจารณาสังขารทำยังไงครับเพื่อให้จิตรู้ สังขารก็มีอยู่สองสังขารทางใจกับสังขารคือร่างกายถ้าพิจารณาร่างกายก็พิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเออมันก็จะทำให้เราทุกข์ถ้าเรามีสังขารร่างกายแล้วก็มันไม่ใช่ตัวเราของเรามันมาจากดินน้าลมไฟเดี๋ยวมันก็กลับคืนสู่ดินน้าลมไฟ ถ้าเราไปยึดไปติดไม่อยากให้มันไปเวลามันไปเราก็จะทุกข์เนียอันนี้พิจารณาสังขารร่างกายส่วนสังขารความคิดปรุงแต่งที่อยู่ในใจก็คิดว่ามันทำให้ใจเราไม่สงบมันทำให้ใจเราฟุง้งทำให้ใจเราอยากพอปล่อยให้คิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะฟุ้งอยากได้นู่นอยากได้นี่พอเกิดความอยากแล้วก็จะงดหิรลำคาญใจ อยู่ไม่เป็นสุขต้องไปทำตามความอยากถึงจะหายสุขแต่หายเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็คิดใหม่อยากใหม่อีกแต่ไม่อยากจะฟุง้งไม่อยากจะต้องดินน้นรนทำตามความอยากก็หยุดความอยากเสียใช้สติพุทธโธพุทธโธอย่าให้มันคิดหรือถ้าให้มันคิดให้มันคิดไปในทางที่ไม่อยากคิดยังไงไปคิดในทางที่ไม่อยากก็คิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นไตรลักษณ์นี้เอง มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็จะไม่คิดไปทางความอยากต่อไปเราคิดได้แต่จะไม่เป็นความคิดที่จะทําให้ใจเราฟุง้งหรือทําให้ใจเราเดือดร้อนเป็นความคิดที่ไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาคําถามจากคุณหมื่นทิพย์กราบนรรส ก, การพระอาจารย์ครับขอกราบเรียนถามข้อหนึ่งความคิดและจิตคืออันเดียวกันไหมครับ ความรู้สึกนึกคิดที่ออกจากสมองของเราจริงๆแล้วเกิดจากการทํางานของจิตผมเข้าใจถูกต้องไหมครับคือจิตนี้เป็นตัวเหมือนร่างกายส่วนแขนขาหูตาจมูกนี้เป็นเหมือนอาการของร่างกายตัวจิตนี่คือตัวที่มีความคิดมีความรู้สึกนึกคิดเอ ฉะนั้นจะว่าตัวจิตเป็นตัวคิดก็ไม่จริงไม่เชิงตัวจิตก็คือเป็นตัวรวมของความรู้สึกนึกคิดอีกทีนึงความรู้สึกนึกคิดออกมาจากตัวจิตข้อสองแล้วเราจะควบคุมและขัดเกลาจิตให้ลดละจากกิเลสไม่ให้คิดได้ด้วยวิธีใดบ้างครับก็ฝึกสติไงฝึกภาวนาสมถาภาวนาวิปัสสนาภาวนา ถ้ามีสตกิก็จะหยุดความคิดได้ถ้ามีปัญญาก็จะหยุดความโลภความอยากที่เกิดจากความคิดเหล่านั้นได้ก็จะเหลือแต่ความคิดที่ดีความคิดที่ไม่พาให้เกิดความทุกข์เกิดความเกิดแก่เจ็บตายตามมาคำถามจากคุณชรินทิปกราบนมัสการพระอาจารย์ การที่เราระ ล, ลึกรู้ได้ว่าเป็นกรรมที่เรากระทามาเช่นเราเคยพูดไม่ดีกับมารดาโดยไม่มีเจตนาที่จะทำให้ท่านเสียใจแต่ด้วยความที่เป็นแม่ก็อาจจะมีคิดมากน้อยใจบ้างจนมาวันหนึ่งมีคนอื่นมาพูดกับเราด้วยคำพูดนั้นทำให้เราเสียใจน้อยใจจนน้ำตาไหล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 เราก็พยายามหักข้ามจิตใจอย่าไปทํามันใหม่กรรมใหม่นี้เราลดได้แต่กรรมที่เก่าที่ทําไปแล้วลดไม่ได้มันก็ต้องส่งผลของมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดคําถามจากคุณสุทัศนีกราบเรียนถามพระอาจารย์เรื่องอานาปนาสติค่ะตอนนี้ลูกฝึกสติโดยวิธีกายกตาสติมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ ตอนนี้อยากเริ่มนั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิแบบอนาปานาสติที่ถูกต้องมีวิธีอย่างไรเจ้าคะก็นั่งในท่าที่สบายถ้าเป็นไปได้นั่งท่าขัดสมาธินี้จะเหมาะที่สุดเพราะขัดสมาธิจะเป็นท่าที่จะทำให้นั่งได้นานแต่ถ้าใหม่ๆไม่เคยนั่งอาจจะรู้สึกขัดแข้งขัดขาเพราะไม่ไม่เคยนั่ง ถ้ายางนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็ต้องนั่งเก้าอี้หรือนั่งขอบเตียงไปก่อนแล้วก็เวลานั่งตั้งร่างกายให้ตัวให้ตรงไม่ต้องเอ็นไปทางซ้ายไปทางขวาไม่ต้องเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปท้างหลังนั่งให้ตรงแต่ไม่ต้องเกร็งนั่งให้สบายเพราะถ้าไม่ไม่ตรงมันจะเดี๋ยวมันจะหลับง่ายให้พยายามนั่งตัวตรง พอเราตั้งท่าดีแล้วพอเราเริ่มนั่งเราไม่ต้องไปสนใจกับท่าของร่างกายต่อไปพอเราตั้งท่าเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาตั้งมาดูลมหายใจตั้งใจดูลมหายใจอย่างเดียวการดูลมก็ให้ดูที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกจุดที่ลมมันสัมผัสเด่นชัดที่สุดลมเข้าออกตรงนั้นดูตรงนั้นจุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออก แล้วไม่ต้องบังคับลมบางแห่งก็สอนว่าต้องหายใจลึกๆอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องไปควบคุมบังคับลมให้ดูเฉยๆให้สักแวรู้ลมเราต้องการให้จิตทำหน้าที่อย่างเดียวคือสักแต่ว่ารู้ลมเราต้องการให้จิตทำหน้าที่อย่างเดียวคือสักแต่ว่ารู้ลมก็ให้รู้ลมไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้รู้เพียงแต่ว่าลมสั้นหรือลมยาวลมหยาบหรือลมละเอียดเท่านั้นเอง ลมหายไปก็ให้รั่วมันหายไปไม่ต้องตื่นเต้นตกใจอยู่กับสภาพที่ไม่มีลมไปให้ดูอยู่กับความว่างไปแล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่ความสงบต่อไปคาถามจากคุณวิชัยขอให้พระอาจารย์อธิบายบาปเกิดจากอะไรบ้างบางคนคิดว่าผิดศีลห้ายอย่างเดียวมีอย่างอื่นอีกไหมเจ้าคะไม่มีหรอกก็นี่แหละห้าอย่างนี่แหละ ความจริงแค่สี่อย่างหนึ่งการดื่มสุราก็ยังไม่ถือว่าบาปถือว่าเป็นอบายามุกเป็นตัวที่จะชุดทําให้คนทําบาปได้ง่ายพอเวลาเมาแล้วไม่มีสติควบคุมความรู้สึกนึกคิดนั่นเองคิดอยากจะพูดอะไรก็พูดไม่ยับยัง้งคิดอยากจะทําอะไรก็ทําโดยไม่ยับยัง้งคนที่เมากับคนไม่เมานี้จะมีกิริยาการต่างกันเห็นท่านถึงบอกว่าอย่าดื่มสุร่า พอเดือชั่วลาเราจะควบคุมการกระทำบาปไม่ได้ถ้าไม่เดืมชัวลาพอจะทำบาปยังรู้สึกตัวยังห้ามได้อันนี้คือแต่บาปจริงๆก็มีสี่ตัวนี้ฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดโกหกหลอกลวงส่วนเดืมชั่วาเรียกว่าอบายามุขมีอยู่ห้าเดืมชัวาเล่นการพนัน เที่ยวเตะกลางคืนกลางวันคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรและความเกียดคร้ารอบายามุกนี้เป็นตัวที่จะพาให้จิตไปทำบาปต่อไปเพราะอบายามุกไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายเมื่อไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายพ อ, อรายเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีทำบาปนั่นเองคำถามจะคุณเอนจอย เรียนถามพระอาจารย์เรื่องการซื้อขายวัตถุมงคลหรือพระเครื่องครับว่าถ้าบางคนมีวัตถุมงคลมากต้องการปล่อยให้คนอื่นที่อยากได้ไปบูชาบาปหรือผิดศีลไหมครับไม่บาปหรอกแต่ไม่ได้บุญนะถ้าขายก็ไม่ได้บุญได้เงินถ้าอยากได้บุญก็แจกแจกแล้วจะได้บุญบุญดีกว่าเงินเพราะบุญเอาติดตัวไปเอาติดไปกับใจได้ แต่งเงินนี้เกิดขายปุ๊บหัวใจวายปั๊บเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวแต่ถ้าแจกปั๊บนี่เวลาหัวใจวายนี่เอาไปได้หมดเลยเอาบุญที่เกิดจากการแจกวัตถุมงคล น, นี้ไปได้หมดเลยคำถามจากคุณสถาพรกราบนมัสการครับความกลัวเกิดจากอะไรจะดับได้อย่างไรครับความกลัวก็เกิดจากความหลงนั่นแหละ หลงในอัตตาตัวตนหลงว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราพอพอไปหลงว่าร่างกายเป็นเราก็รักก็หวงก็ห่วงไม่ว่าอะไรเป็นของเราปั๊บเราจะรักจะหวงจะห่วงแล้วเรากลัวเขาจะจากเราไปพอมีอะไรมากระทบที่จะทําให้เขาต้องจากเราไปเราก็กลัวสิ่งนั้นอแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันจะต้องจากเราไปอย่างแน่นอน เราก็ไม่กลัวอะไรกลัวทำไมกลัวก็ไม่ได้เก็บอาไว้อยู่ดีเขาจะต้องไปเขาต้องจากเราเขาไม่ใช่เป็นของเราอันนี้เราต้องมาเจริญปัญญาให้เห็นให้ได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคำถามจะคุณไกรรักกราบเรียนถามพระอาจารย์ มีคนข่าตัวตายในห้องเช่าต้องนิมนต์พระท่านไปเชิญวิญญาณผู้เสียชีวิตออกจากห้องเช่าด้วยหรือเปล่าเจ้าคะไม่ต้องไปเขาไปแล้วดวงวิญญาณเขาไปไหนแล้วไปอบายไปนรกแล้วไม่ต้องไปนิมนต์พระพระมีอะไรดีนะกถึงเชิญดวงวิญญาณได้ <c oughs> ไม่ต้องเชิญแร้วกวดแห่งกรรมเขามารับไปแล้วคำถามจากคุณพัพปี้ ตอนนอนบริกรรมพุโทโธเมื่อหลับไปแล้วเหมือนได้สนทนากับครูบาอาจารย์ทำที่เรามีคาถามและในฝันเราได้เจอท่านเราคิดไปเองหรือเป็นนิมิตธรรมพอแป๊บเราก็ตื่นลืมตาก็แล้วแต่ว่าทีฝันมันได้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนหรือเปล่าถ้าถ้าเป็นสิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนนี่อาจจะเป็นของจริงใช่ แต่ถ้าฝันแล้วไปดูถึงสิ่งที่เรารู้มาแล้วอย่างนี้ฝันไปก็มันก็แค่เป็นความฝันความคิดของเรานั่นเองคำถามจากคุณสมศรีกราบเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะสถานที่ที่โยมไปเข้ากรรมฐานคนที่ดูแลสำนัก หาผลประโยชน์จากผู้ที่เข้ามาปฏิบัติเช่นนี้เราจะเข้าขายภายเรือให้โจรนั่งหรือเปล่าคะหรือว่าไม่ต้องไปสนใจปฏิบัติธรรมของตนเองต่อไปถ้าเขาไม่ได้หลอกวงเขาทำไปตามหน้าที่ของเขาเขาเป็นอาชีพของเขาเขาจัดสถานที่เขาก็มีค่าใช้จ่ายมีค่าอะไรเขาก็เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เขาเรียกร้องอันนี้เขาก็ไม่บาปนอกจากว่าเขามาโกหก หอกลวงอย่างนี้ถึงจะบาปเช่นว่าเอาเงินบอยจากเข้าวัดเข้าสถานที่แต่ที่ไหนได้เอาเข้ากระเป๋าเขา เ, ขาเองถ้าอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเขาบาปเขาทําบาปแต่เขาถ้าเขาทําตามหน้าที่เขาเป็นลูกจ้างหรือเป็นผู้ดําเนินการสถานที่เขาเป็นผู้รับผิดชอบในรายได้รายจ่ายเขาก็ต้องมีการเก็บค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ไม่บาปมันเป็นเรื่องธุรกิจหรืว่าเป็นเรื่อง าการดำรงอยู่ของสถานที่เพียงแต่อาจจะต่างกันตรงที่ถ้าวัดนี้เรามักจะไม่เรียกร้องปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาใครอยากจะช่วยมากช่วยน้อยก็ทําไปตามกำลังแต่ถ้าเป็นที่ไม่ใช่วัดบางทีเขาถ้าปล่อยให้เป็นไปตามศรัทธาตามกำลังเขาอาจจะเจงอยู่ไม่ได้เขาก็อาจจะต้องอต้อง มีตั้งราคาไว้ว่าคืนละกี่ตังค์วันละกี่ตังค์อะไรทำนองนี้ท่านก็ทําด้วยความซื่อตรงตรงไปตรงมานี่ก็ไม่บาปนะคําถามจากคุณนฐกิจิกล้าวกระผมอยากให้พระอาจารย์อธิบายพรหมวิหารสี่ครับคือความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่ถูกต้องขอรับคือพรหมวิหารสีนี้ก็เป็นธรรมที่เรา ใช้ในการาใช้ในการเวลาที่เราอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆแต่แต่ละเหตุการณ์นี้มันอาจจะต้องใช้ทำเหล่านี้ต่างกันไปไม่ได้ใช้พร้อมกันแล้วแต่เหตุการณ์เหมือนขับรถยนต์เนีขามีเกียร์หลายเกียร์ใช่ไหมมีเกียร์เดินหน้ามีเกียร์ถอยหลังมีเกียร์ต่ำเกียร์สูง เพราะว่ารถนี้อาจจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่จําเป็นจะต้องใช้เกียร์ต่างๆเหล่านี้ผมวิหารสีก็เป็นเหมือนเกียร์ของจิตใจความเมตตาก็คือให้เราเวลาพบปะกันให้มีความเป็นมิตรไมตรีกันแสดงไมตรีจิตด้วยการทักทายด้วยการถามสารทุกข์สุขดิบหรือด้วยการแบ่งปันเรามีอะไรที่เรา อยากจชให้คนอื่นก็มีความสุขเราก็มาแบ่งปันกับเขามันเกิดแล้วอาจจะซื้อของแจกให้เพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาเวลาเราไปเจอเหตุการณ์ที่ต้องการความช่วยเหลือคนตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไฟไหม้บ้านน้าท่วมหรืออะไรก็ตามที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้เราก็ให้ความกรุณา การุณาคือความสงสารสงสารในความทุกข์ยากลาบากของผู้อื่นก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ยากนี่เรียกว่าสงสารเรียกว่ากรุณาข้อที่สามมุติตาคือให้เราแสดงความยินดีในความสุขความเจริญก้าวหน้าของผู้อื่น เป็นเพื่อนฝูงได้ตำแหน่งถึงแม้จะเป็นตำแหน่งที่เราอยากได้แต่เขาได้ก่อนเราเราก็อย่าไปโกรธเขาอย่าไปอิจฉาหริเสยเขาเพราะมันไม่ดีมันทำให้ใจเราแคบทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราไม่สบายแล้วอาจจะทำให้เราไปคิดร้ายต่อเขาได้ แต่ถ้าเราร่วมแสดงความยินดีในความสุขความเจริญของเขาเราก็จะไม่ไปคิดร้ายเราก็จะไม่ไปทำให้จิตใจเราเศร้าหมองเนีนเราต้องแสดงความยินดีต่อความสุขความเจริญของผู้อื่นไม่ว่าใครก็ตาม กรนะทั่งศัตรูเราใช่นวเวลาเล่นกีฬานี้ทีมที่เราสู้นี่ก็ถือว่าเป็นศัตรูของเราใช่ไหคู่ต่อสู้ของเราเมื่อเลมื่อเล่นจบแล้วเขาชนะก็ต้องไปแสดงความยินดีบอกว่าเป็นเพียงกีฬาชีวิตนี้ก็เป็นเหมือนกีฬาแข่งขันกันไปเท่านั้นเองใครชนะก็แสดงความยินดีดีกว่าเพราะเราก็จะมีความสุขไปกับเขา ไมทำไมเราสแสดงความยินดีกับคนที่เรารักได้ลูกเราพอเรียนจบได้รางวัลที่หนึ่งนี่ทำไมเรายินดีได้แต่ถ้าเป็นลูกของคนอื่นทำไมเรายินดีไม่ได้เพราะเราอยัางไปเลือกที่รักมักที่ช่างอยู่แล้วใครใครทุกข์ล่ะคนนี้ไม่ยินดีใช่ไ้ยคนที่ยินดีสุขไหมอย่างสุขเราควรจะยินดีดีกว่าไม่ยินดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ได้รางวัลได้ชัยชนะ ยิมชาติแพ้แพ้เขาเราก็ต้องยินดีกับเขาแล้วเราก็จะมีความสุขกับเขาไปนะเป็นกีฬาเท่านั้นเองเป็นเป็นวิธีฝึกจิตก็้าใจไหมการเล่นกีฬานี้เดิมทีเขามีเขามีเป้าหมายอยู่ที่การฝึกจิตให้รู้จักแพ้รู้จักชนะแต่สมัยนี้มันเลืมมันไปหมดล้วมันจะเอาแต่ชนะอย่างเดียวแล้วมันก็เลยต้องคิดวิธีชนะแบบหลายแบบด้วยกันด้วยการโกงกันเห็นไหม โรยากันอะไรกันบ้ากันไปหมดเลยหลงหลงผิดแล้วไม่รู้ว่าการกีฬานี้เป็นการฝึกจิตให้เรารู้จักแสดงมุติตาเออนี่ยกลับไปไม่ยอมแพ้กันจะเอาแต่ชนะกันอย่างเดียวก็เลยต้องเล่นผิดกฎ ก, ฎกติกากันใช่ไหมแล้วพอเข้ามารู้ทีหลังเป็นไงก็ถูกปดหมดอยู่ดีนัออ้น เ, เราต้องอย่าไปเอาแพ้ชนะกันแบบ แบบไม่มีเหตุไม่มีผลเอาแพ้ชนะตามกฎกติกาเล่นตามความสามารถของเราแพ้ชนะไม่สําคัญสําคัญอยู่ที่ว่าเราชนะกิีดเราหรือเปล่าเวลาเราแพ้เราแพ้อย่างมีความสุขหรือเปล่ายินดีกับความชัยชนะของผู้อื่นหรือเปล่าอันนี้ต่างหากคือเรื่องของมุติตาจิตนะข้อที่สี่คือเบกขา อุเบกขาก็เป็นเหมือนรถเข้าเกลี่ย ว, ว่างเนี่ยเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ถอยหนังก็ไม่ได้อะก็ต้องจอดอยู่เฉยๆถ้าเราไปอยู่ในเหตุการณ์ที่เราทำอะไรไม่ได้จะช่วยเขาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีกำลังจะช่วยเรื่องสุดวิสัยเช่นเขาเป็นโครคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายอย่างแต่อยากให้เขาหายก็จะทำให้เราทุกข์เราก็ต้องยอมรับความจริงเราก็ต้องทาใจเป็นอุเบกขาคือเฉยๆ ป่วางคิดว่าเป็นเรื่องของกรก ร, รมของสัตว์ไปใครทํากรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นใครเกิดมาแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายล่วงพ้นความแก่ความเจ็บความตายไปไม่ได้ให้คิดอย่างนี้แล้วใจเราจะได้ไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถที่จะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ นี่คือพรหมเวหาสีต้องใช้ให้ถูกเวลาที่ควรเมตตาไปอุเบกขาก็ไม่ได้เวลาไปงานมันเกิดไม่เอาข้าวของไปให้เขาเลยไปแสดงอุเบกขาก็ไม่ได้ัน <c oughs> ไปกินอย่างเดียวถึงเวลาต้องเมตตาก็ต้องเมตตาถึงเวลาอุเบกขาก็ให้มันถูกเวลาเหมือนขับรถนะ่ะเข้าเกียร์ผิดเดี๋ยวก็ชนกันแหลก่ะ <c oughs> <c oughs> ถึงเวลาต้องเดินหน้ากลับไปเข้าเกียร์ถอยหลังรถที่ตามมาข้างหลังมันก็ชนท้ายเราน ะ, ะคาถามจากคุณสุค่ะจิตพระอระหันต์เป็นจิตที่มีแต่ ก, กิริยาไม่มีกรรมเป็นอย่างไรครับแตกต่างกับจิตปุถุชนอย่างไรไม่มีกิเลสกิเลสไม่มีอารมณ์การกระทาของท่านทำด้วยเหตุด้วยผล ถึงแม้ใชงเวลาเมตตก็เมตตาแต่ไม่หวังผลจากเมตตาเหมือนคนที่มีกิเลสยิ้มให้เขาแล้วถ้าเขาไม่ยิ้มกลับก็เสียใจบ้างโกรธ็บ้างแต่พระอรหันท่านยิ้มแล้วก็เฉยมันยิ้มไม่ยิ้มก็เรื่องของมันก็คิดว่าเหมือนยิ้มให้หมาก็แล้วก <laughs> ัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมอ <laughs> ต, ต่างกันตรงนั้นไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลส พระพุทธเจ้าพระอานาร์นี่ท่านทําอะไรด้วยเหตุได้ผลแล้วไม่หวังผลตอบแทนจากใครทั้งนั้นทําแล้วก็จบใครจะดีใจเสียใจใครจะชมใจจะด่าก็เรื่องของเขาไม่เหมือนพวกเรานี่พอโพสต์อะไรไม่ดีหน่อยใครด่าหน่อยโอ้โหเป็นเฟื่อนเป็นไฟตอบโต้กันแบบไม่หยุดไม่หย่อนต่อบไปเขาก็โต้กลับมาแล้วโต้กลับมาก็ตอบกลับไปฮ ภาลานพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรเสร็จท่านก็จบใครจะพูดอะไรก็เรื่องของเขาถ้าไม่มีเห็นมีผลที่จะร่างตอบก็ไม่ตอบแต่เช้าตอบก็ตอบได้เห็ุได้ผลไม่ได้ตอบด้วยอารมณ์คำถามจากคุณระวิวันกราบนำบันการเจ้าค่ะถ้าเราฝันร้ายบ่อยๆแล้วช่วงนี้สุขภาพก็ไม่ดีเราควรจะทำบุญแบบไหนดีเจ้าค่ะก็ทาแบบไหนได้ก็ทาไปเลยมีงานก็บริจาคไป แล้วมันจะทําให้เราฝันดีทําบุญแบบที่ทําให้เรามีความสุขอย่าไปทําแบบที่เราไม่มีความสุขเช่นทําบุญแบบไม่รู้เงินที่เราไปนี่เขาจะาไปทําอะไรทําประโยชน์อย่างไรอมันจะไม่ค่อยมีความรู้สึกมีความสุขเท่าไหร่ไปทํากับคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเห็นเขาได้รับความสุขจากการกระทําของเราเช่นใส่บาตรกับพระเนี่ยโยมชอบใส่บาตรกับพระเพราะรู้ว่าพระได้รับประโยชน์จากอาหารที่เราถวาย แต่ถ้าเราเงินเข้าตู้บริาจาคนี่ไม่รู้ว่าบางทีมไปไหนบ้างก็ไม่รู้ yeah. รนความรู้สึกมันต่างกันมันเป็นบุญเหมือนกันแต่มันไม่ประทับใจน <c oughs> ถ้าอยากจะทําแบบให้มันประทับใจไปทําบุญที่เราเห็นแล้วมันเห็นผลทันตาปล่อยนกปล่อยปลาไปถ่ายวัวทัวถ่ายควายอะไรทํานองนี้มันเห็นผลว่าโอ้เขาจะได้มีชีวิตอยู่ต่อไป yeah. หรือช่วยเด็กช่วยคนยากจนอดอยากขาดแคลนเด็กนักเรียนไม่มี ชุดนักเรียนไม่มีรองเท้าใส่ไปโรงเรียนไม่มีอาหารกลางวันอะไรทำนองนี้มันทานั่นมันทำให้เราเห็นผลแล้วมันจะทำให้เราอิ่มใจสุขใจเวลานอนหลับก็จะฝันแต่เรื่องดีๆคำถามจากคุณแม่ยอดยาหยีกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะพอฟังธรรมมากๆ ก, ก็เริ่มมองว่าการเกิดแก่เจ็บ ตายเป็นเรื่องธรรมดาพอเกิดเหตุการณ์เหล่านี้กับคนรอบข้างก็เฉยๆไม่รู้สึกดีใจเสียใจคิดแต่ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจนบางครั้งเอใจเหมือนเรากลายเป็นคนไร้ความรู้สึกค่ะหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเกิดกับคนรอบข้างแต่ไม่เกิดกับตัวเราเราก็เลยเฉยๆกราบขอบูคุณค่ะ ก็ต้องทดสอบไปเรื่อยๆมันต้องเฉยกับทุกคนเอไม่ว่าจะเป็นคนที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักคนที่เรารักหรือไม่รักถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ไม่ได้เฉยเมยเท่า น, นั้นเองมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเขาช่วยเหลือเขาก็ต้องใช้พรหมวิหารสีอย่างที่บอกไม่ใช่ถึงเวลาที่จะให้อุเบกขาไปทุกอย่างถ้ายังช่วยเขาได้ก็ต้องเมตตาหรือกัลปนาไม่ใช่ไปใส่เกียวอุเบกขาอย่างเดียวเออมันจะ เกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ต้องไปส่งไว้โรงพยาบาลเสียดายเงินเก็บไว้ใช้ดีกว่าอย่างนี้มันไม่ใช่ถึงเวลาก็ต้องช่วยเขาช่วยเขาได้ยังช่วยเขาได้อยู่ก็ช่วยเขาไปถ้าช่วยไม่ได้แล้วก็อคอยอุเบเอะขาะเป็นเรื่องธรรมดาคำถามจากคุณนัชนันเมื่อความศรัทธาในครูอาจารย์มันหมดไปแล้วผิดไหมที่เราจะหาครูบ า, าอาจารย์ใหม่ ก็ไม่เห็นว่ามันจะผิดตรงไหนเนี่ยในเมื่อเราเอาไม่ชอบน้ํามันยี่ห้อนี้เราก็เปลี่ยนน้ามันยี่ห้ออื่นไปใช้น้ํามันยี่ห้อนี้แล้วรถมันนักอยู่เรื่อยก็ลองลองลองไปเปลี่ยนน้ามันยี่ห้อใหม่ดูก็เท่านั้นเองคําถามจากคุณ ธรรมนวลเริ่มนั่งสมาธิเมื่อปี 2,556 จะวางจิตไว้บริเวณใบหน้าขณะนั่งสมาธิรู้สึกตุบๆตึงๆที่หน้าผากระหว่างวันแต่ไม่ใช่การเจ็บปวดอะไรเป็นเรื่องการสะสมพลังจิตของเราไหมคะไม่รู้เหมือนกันเรื่องพลังจิตนี่เราไม่รู้เรารู้แต่เรื่องควะพลังสงบนั่งสมาธิเพื่อจิตสงบจิตสงบแล้วมันก็มีพลังพลังหยุดไม่ใช่พลัง อะไรพลังหยุดกิเลสแค่นั้นเองที่เราปฏิบัตินี้เราต้องการมีพลังหยุดกิเลสเท่านั้นเน่ยไม่ต้องการมีพลังไปทําร้ายผู้อื่นหมือไปทําอะไรกับผู้อื่นคำถามจากคุณลูกหมีตัวน้อยกราบเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะการซื้อหวยลอตเตอรี่ผิดศีลไหมเจ้าค่ะไม่ก็เป็นการซื้อสินค้ายอย่างหนึง่งฮะเขาขายเราก็ซื้อมาท่านเองเห็นแต่ว่า ถ้าเราซื้อมากๆเราอาจจะเจ๊งเพราะความเสี่ยงมันสูงไม่ใช่เป็นการธรรมาคคายที่ที่ดีแต่ถ้าซื้อพอหอมปากหอมคอเผื่อโชควาสนาเรามีอยู่มันจะได้มีทางออกมาก็ซื้อเหมือนซื้อสินค้านั่นเองคำถามจากคุณสุรยานกราบเรียนถามเรื่องกายเวทนาจิต ธรรมกายก็คือร่างกายเวทนาก็คือความรู้สึกที่มีสองทางทางร่างกายแล้วก็ทางใจแล้วจิตก็คืออารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตธรรมก็คือธรรมะที่พุทธเจ้าสอนให้พวกเราสร้างขึ้นมาในใจเรานี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมการให้เราดูกายเพื่อให้เราศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่ามันไม่เที่ยง เกิดแก่เจ็บตายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาการดูเวทนาก็เหมือนกันดูว่ามันก็ไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายมันก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันการดูอารมณ์ก็ต้องดูว่ามันไม่เที่ยงเหมือนกันมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันการที่จะดูสิ่งเหล่านี้ได้เราก็ต้องมีธรรมในใจเราถึงจะดูได้คือมีสติธรรมมีปัญญาธรรมมีสมาธิธรรม อันนี้ก็เป็นธรรมที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาเราจึงเรียกว่ากายเวทนาจิตธรรม คำถามจากคุณคุณธิดากราบนรมัสการพระอาจารย์ถ้ามีคนเป็นหนี้เราอยู่เราทวงเขาระบาปไหมคะถ้าเขาลําบากอยู่จริงหรือหากลําบากไม่จริงเรายกหนี้ให้เขาเราจะได้บุญหรือไม่หรือเป็นการส่งเสริมให้เขาไปสร้างหนี้คนอื่นต่อไปตอนนี้นึกถึงเงินเราก็อยากได้คืนคะ่ะก็เป็นการทวงหนี้ไม่บาปหรอกมันเป็นสิทธิ์ของเรา เม่เขายืมเงินตราไปเขาอาจจะลืมเราก็เลยต้องเตือนเขาหน่อยว่าคุณเป็นหนี้เราน ะ, ะก็บอกก็ดีๆอย่าไปพูดไปด่าเขาอะไรทานองนั้นถ้าไปด่าเขาถึงจะบาปนะแต่พูดดีๆว่าคุณเมื่อไหร่จะใช้หนี้สะทีอย่างนี้ก็ไม่บาปถ้ายกหนี้ให้เขาได้ก็เป็นการทำบุญไปส่วนจะเป็นการส่งเสริมเขาหรือไม่อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเดือดร้อนจริงหรือไม่เดือดร้อนจริง ถ้าเขาเดือดร้อนจริงก็เหมือนกับเราได้ช่วยเหลือเขาให้พ้นจากความเดือดร้อนแต่ถ้าเป็นการเสแสร้งก็เป็นเรื่องบาปของเขาที่เขามาโกโหกหลอกลวงเราถ้าเรารู้ในภายหลังเราก็อย่าไปเราก็อย่าไปให้เขายืมเงินต่อไปคราวนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนสอนเราแต่เราไม่ขาดทุนเราไ ด, เาได้เราได้ทำบุญคำถามจากคุณจกักพงษ์ หลังจากฝึกดูลมหายใจจนได้สมาธิใจไม่ค่อยคิดได้แล้วเราควรทำอย่างไรต่อไปครับทำอย่างนี้บ่อยๆอย่าให้คิดเพราะคิดแล้วมันจะทำให้เราทุกข์เป็นส่วนใหญ่หยุดความคิดได้ดีกว่ารือถ้าจะคิ ด, ด, ดก็ให้มันคิดแต่ในเรื่องที่ทาให้เรามีความสุขทำให้เราไม่มีความทุกข์คือคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเนีย จ, จากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม เวลาทำอาหารหล่นพื้นมีมดมากินเยอะเราใช้ไม่กวาดกวาดมดได้ไหมคะหรือต้องปล่อยไว้กวาดได้ถ้ามดมันไม่ตายอย่าไปกวาดให้มันตายก็แล้วกันถ้ามันตายเราก็ต้องหาวิธีอื่นเก็บอาหารทำความสะอาดบริเวณนั้นเดี๋ยวมันก็พอไม่มีอาหารเดี๋ยวมันก็กลับไป คำถามจากคุณสุปราณีถ้าเรามีเจ้ากรรมนายเวรหรือวิญญาณสิงอยู่ในร่างกายต้องปฏิบัติอย่างไรคะไม่มีหรอกไม่มีใครสิงอยู่ในร่างกายเรานอกจากกิเลสงั้นคอยกําจัดกิเลสแล้วทุกอย่างก็จะไม่มีปัญหาตัวกิเลสสําคัญก็คือตัวโมหะความหลงนี่มันชอบหลอกเราว่ามีไอ้นูน่นไอ้นี่สิงอยู่ความจริงไอ้ตัวที่สิงก็คือไอ้กิเลสตัณหาเนี่ยที่มาสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับเรา นคอยกำจัดมันด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าคือศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาแล้วต่อไปจะไม่มีอะไรเสียงอยู่ในใจเราอีกต่อไปใจเราจะเป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นใจของพระพุทธเจ้าใจของพาอาาระอรหันต์ขึ้นมาคำถามจากคุณเบญจวรรณเพื่อนขอยืมเงินแล้วให้ดอกเบี้ยเราจะบาปไหมคะไม่บาปหรอกก็เป็นการทําการค้าเป็นการธุรกิจเหมือนธนาคารเนี่ย นเขาไปกู้เงินธนาคารธนาคารก็คิดดอกเบีย้ยเพียงแต่ว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะได้คืนหรือเปล่าอาจจะได้ดอกแต่ไม่ได้ต้นแร้วพวกนี้ก็ฉลาดพอเขายืมเงินแล้วแล้วเขากเอาเงินที่เรายืมที่เขายืมเนี่ยมาจ่ายดอกเบี้ย ก, ก่อนจ่ายทั้งงวดสองงวดแล้วก็หายวับไป <laughs> ยังถ้าจะยืมเงินให้ใครยืมต้องมีหลักทรัพย์ให้มีความมั่นใจว่าเขาต้องมา เ, าเอาคืน ตอถ้าเขาไม่คืนเขก็ต้องยกหลักทรัพย์ให้เราไปถ้าไม่มีอะไรเป็นเรื่องครรประกันก็คิดว่าเป็นการทำบุญทาทานไปเถอะจะได้สบายใจหมดหรือยังเวลาก็หมดพอดีนะก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอ